บทที่18การนอนหลับครั้งที่สองของวิญญาณในการศึกษาวิชาที่สมมุติเรียกกันว่าลึกลับนักศึกษาจะพบความจริงที่ทำให้เกิดความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือกฎของธรรมชาติย่อมเป็นไปในทํานองเดียวกันเสมอแม้ว่าจะเป็นกฎสำหรับภูมิต่างๆกันก็ตามและแม้การแสดงออกของกฎนั้นบางครั้ง อาจจะแลดูเผลอมักจะทําให้คิดว่าแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตามและกฎประการหนึ่งในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายก็คือเมื่อจบระยะการของการดำเนินงานในยุคนหนึ่งหรือภูมิหนึ่งและก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการงานในอีกระยะหนึ่งหรืออียุคนหนึ่งนั้นก็มักจะมีระยะพักในรูปต่างๆเช่นเป็นการนอนหลับพักฟื้นอยู่ชั่วคราวเป็นต้น ในโลกเราจะเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้อยู่เสมอถ้าเรารู้จักสังเกตเช่นเมื่อลุกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปจนสุดด้านหนึ่งแล้วก่อนที่จะเวียงตัวกลับมาก็จะต้องมีระยะพักหรือหยุดพักชั่วขณะหนึ่งก่อนเมื่อเราหายใจเข้าจนเต็มที่แล้วก็จะมีระยะพักอยู่ขณะหนึ่งเหมือนกันก่อนที่จะมีการหายใจออกเมื่อสิ้นสุดงานในวันหนึ่งเราก็ต้องพักผ่อนนอนหลับ ก่อนที่จะเริ่มงานของวันใหม่ต่อไปและทารกก็จะต้องมีระยะพักหรือฟักตัวในคันมารดาก่อนที่จะกำเนิดมาในโลกมนุษย์เป็นต้นในโลกทิพย์ก็มีการพักผ่อนเช่นนี้ซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าหลังจากกายแตกแล้ววิญญาณก็จะเข้าสู่ระยะพักฟื้นด้วยการหลับสักพักหนึ่งก่อนที่จะเกิดมาสู่ชีวิตใหม่ในโลกทิพย์ในทางตรงกันข้าม วิญญาณที่หมดอายุในโลกทิพภูมิหนึ่งหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์ใหม่หรือเลื่อนขึ้นไปอยู่ภูมิแห่งโลกทิพที่สูงขึ้นไปก็จะต้องมีระยะเวลาพักหรือหลับเหมือนกันซึ่งในกรณีเช่นนี้ข้าพเจ้าขอเรียกว่าการหลับครั้งที่สองของวิญญาณก่อนที่จะถึงการหลับครั้งที่สองดังกล่าววิญญาณจะรู้สึกอ่อนเพลียและใครจะหยุดพักผ่อนบ้าง วิญญาณจะรู้สึกว่าตนได้สมประสงค์ในความปรารถนาและอุดมคติของตนพอสมควรแล้วและโดยมากเมื่อสมใจจนเพียงพอแก่ับความต้องการแล้วก็เกิดการปล่อยวางได้และหมดความทเยอทะยานลงไปตอนนี้เองวิญญาณจะคิดว่าได้ทำหน้าที่การงานของตนพอสมควรและมีความรู้สึกอยู่ภายในอย่างลึกๆว่าคงจะถึงเวลาที่จะต้องถือเอาอัตภาพใหม่แล้ว ในการย่างเข้าสู่ระยะเวลาแห่งการหลับครั้งที่สองนี้วิญญาณจะไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดแต่อย่างใดแต่ตรงกันข้ามจะรู้สึกว่าพอใจและสมหวังในการที่จะได้มีการพักผ่อนเอาแรงกันเสียทีหนึ่งอาการของใจในตอนนี้จะเป็นเสมือนคนเดินทางที่ได้ปีนเขาขึ้นมาเป็นเวลานา น, านด้วยความเหน็ดเหนื่อยประกอบด้วยความสนุกสนานและเมื่อถึงที่ที่หมายแล้วก็ต้องการพักผ่อนเอาแรง ให้หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาสักพักหนึ่งฉะนั้นระยะเวลาที่วิญญาณถือกำเนิดในโลกทิพเมื่อคิดตามเวลาของโลกมนุษย์อาจจะเป็นจำนวนเพียงหนึ่งหรือสองปีหรืออาจจะเป็นจำนวนร้อยละพันปีก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความประณีตของจิตและการวิวัฒนาการของวิญญาณแต่และรายแต่ไม่ว่าเวลาคืออายุไขดังกล่าวจะสั้นหรือยาวก็ตาม ในที่สุดก็จะเกิดความรู้สึกอ่อนระโหยรยแรงและความรู้สึกนึกคิดก็จะเกิดขึ้นแก่วิญญาณในทำนองเดียวกันกับความรู้สึกนึกคิดของคนชรดาในโลกนี้ซึ่งมักจะคิดว่าหน้าที่การงานของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเสียทีแนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากไปแล้วพร้อมกับความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวมาวิญญาณก็เริ่มมีความปรารถนาจะมีประสบการณ์ใหม่ ที่จะได้มีชีวิตใหม่อันเป็นผลของการวิวัฒนาการแห่งจิตใจไปตามลําดับจะเห็นได้ว่าความปรารถนาต่างๆของวิญญาณยังไม่ได้หมดสิ้นไปแม้ว่าจะได้มีชีวิตอยู่ในภูมิทิพย์แล้วก็ตามเพียงแต่ว่ามันได้สงบระงับไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นส่วนสาเหตุอีกประการหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ในบางกรณีว่า วิญญาณบางดวงที่อยู่ในภูมิต่ำลงไปกำลังจะถึงเวลาที่ต้องกลับไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วและเนื่องจากความผูกพันกันมาแต่เดิมซึ่งก็เป็นความปรารถนาแบบหนึ่งเหมือนกันวิญญาณ น, นั้นก็จะถูกกระสยแห่งความปรารถนาดึงดูดให้กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกโดยจะถือกำเนิดกับดิดามาดาในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกันกันกบอัธยาศัยและกรรมของตน ผลจากเรื่องนี้ก็คือวิญญาณจะย่างเข้าสู่ระยะเวลาแห่งการหลับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระยะพักเพื่อจะได้จุติคือเคลื่อนหรือตายจากโลกทิพย์แล้วกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเด็กอัจฉริยะหรือเด็กแก่เกินวัย อันที่จริงแม้เมื่อวิญญาณได้เกิดขึ้นมาในโลกในสภาพของทารกแล้วก็ตามวิญญาณก็จะยังอยู่ในสภาวะตื่นไม่เต็มที่นักในระยะแรกๆของชีวิตใหม่ความตื่นนี้จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเมื่อทารกค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเป็นลําดับความจริงข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและไม่ค่อยจะมีผู้รู้กันเท่าใดนักในหนังสือเล่มอื่นของชุดนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกัน และใครขอคัดมาเป็นบางตอนดังนี้วิญญาณไม่ได้ตื่นขึ้นเต็มที่ในเมื่อเกิดหรือคลอดออกจากคันมารดานในโลกมนุษย์แต่จะยังคงอยู่ในภาวะคล้ายๆกับฝันในขณะที่อยู่ในวัยทารกการตื่นขึ้นของวิญญาณจะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะสังเกตได้ว่าทารกค่อยๆรู้อะไรมากขึ้น ในเมื่อโตขึ้นเป็นลำดับโดยที่มันสมองของเด็กก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเพื่อให้ทันกับอายุของร่างกายแต่ก็มีบ้างเหมือนกันในบางครั้งที่การตื่นของวิญญาณเป็นไปนก่อนกำหนดซึ่งในกรณีเช่นนี้เราก็จะกล่าวว่าเด็กนั้นๆเป็นเด็กอัจฉริยะแต่เรื่องนี้มีไม่มากนักและโดยปกติก็ไม่ค่อยเป็นผลดีนักสาหรับตัวทารกนั่นเอง ในบางครั้งวิญญาณในตัวเด็กจะตื่นขึ้นมาแบบหนึ่งหงและแสดงกิริยาอาการคำพูดหรือความประพฤติที่เรียกว่าแก่เกินวัยให้เห็นเป็นที่อัศจรรย์ด้วยเหตุนี้เด็กที่แก่เกินวัยก็ดีหรือเด็กอาชริยะก็ดีเป็นผลของการที่วิญญาณตื่นขึ้นในโลกมนุษย์เร็วกว่าปกติในทางตรงข้ามบางครั้งวิญญาณก็ตื่นขึ้นช้ากว่าปกติ ลผลก็คือบุคคลนั้นแสดงถึงระดับความเจริญในทางสติปัญญาช้ามากจนกระทั่งอายุย่างเข้ามาชิมวไวปรากฏว่ามีบางคนวิญญาณไม่ตื่นขึ้นเต็มที่จนกระทั่งอายุ40ในระหว่างนั้นก็เป็นคล้ายๆกับปัญญาอ่อนเรื่อยมาแต่พอหลังจากนั้นกลับมีปัญญาเลี้ยวแรงแข็งขันสดชื่นขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้คนที่เคยรู้จักมาก่อนต้องได้รับความอัศจรรย์ใจไปตามๆกันแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวโดยเฉพาะถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการหลับครั้งที่สองของวิญญาณโดยเฉพาะซึ่งหมายความถึงระยะเวลาที่วิญญาณยังอยู่ในโลกทิพย์ในระยะเวลาดังกล่าวนี้วิญญาณจะย่างเข้าสู่สภาวะที่อาจเรียกได้ว่า เป็นระยะเวลาแห่งการย่อยและดูดซึมของวิญญาณเรื่องนี้พอจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ดังต่อไปนี้คือการหลับครั้งแรกคือหมายถึงการหลับเมื่อวิญญาณล่ากายเนื้อเข้าสู่โลกทิพย์เป็นระยะเวลาที่วิญญาณได้ประมวลประสบการณ์ต่างๆที่ได้ผ่านมาตลอดชีวิตในโลกมนุษย์และทำการย่อยและดูดซึมประสบการณ์เหล่านั้นทั้งหมด เพื่อเป็นรากฐานในทางใจสำหรับเป็นการนํามาใช้สร้างสรรค์อัตภาพในโลกทิพย์ชั้นใดการนอนหลับครั้งที่สองคือหมายถึงระยะเวลาที่วิญญาณหลับเพื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะเป็นระยะเวลาที่วิญญาณใช้สำหรับวางรากฐานชีวิตในโลกมนุษย์ด้วยอาศัยการย่อยและการกลั่นประสบการณ์และทัศนคติของตนเองที่ได้สร้างสมไว้ในโลกทิพย์ชั้นนั้น มีความจริงที่สมควรจะระลึกไว้ด้วยว่าระยะเวลาแห่งชีวิตในโลกทิพย์เป็นระยะเวลาที่ความสามารถในทางสร้างสรรค์ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นโอกาสที่วิญญาณจะได้วิวัฒนาการไปอย่างเต็มที่เท่าที่ตนจะกระทำได้อีกด้วยการเช็คสต็อกและทำงบดุลของวิญญาณ ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกทิพย์จะทำให้ความปรารถนาบางอย่างสมประสงค์และในที่สุดก็จะถึงขั้นที่ชินชาและเกิดความปล่อยวางได้ไปเองดังนั้นในหลายกรณีจะปรากฏว่าวิญญาณที่ล่าจากโลกทิพย์มาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยทัศนคติและอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างจากตอนที่วิญญาณได้จากโลกมนุษย์มาเกิดในโลกทิพย์มากและโดยปกติความเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ ก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะละักษณะของจิตใจที่หยาบและบกพร่องหลายประการก็ได้บรรเทาลงไปมากในเมื่อตนได้เห็นความจริงแล้วรู้สึกเสียใจในการกระทำอันบกพร่องและผิดพลาดในอดีตที่กระทำไปด้วยความไม่รู้เท่าถึงการและในเวลาเดียวกันการรู้ความจริงดังกล่าวก็ได้ทาให้คุณสมบัติที่ดีๆมีโอกาสเจริญขึ้นตามสมควร เสมือนหนึ่งพืชที่หว่านลงในที่ดินดีย่อมเจริญเติบโตได้ดีนี่หมายถึงภูมิแห่งโลกที่ชั้นสูงที่วิญญาณมีโอกาสสนองความปรารถนาและบําเพ็ญบา ร, รมีได้ดีและเป็นสถานที่คือสภาวะสําหรับวิญญาณที่มีความประนีสูงขึ้นไปตามกันอย่างไรก็ตามเวลาที่วิญญาณจะต้องทําการเช็คสต็อกคือประมวลเหตุการณ์ ทัศนคติสาหรับระยะเวลาที่ผ่านมาคราวหนึ่งคราวหนึ่งเพื่อวิญญาณจะได้ยกยอดทางบดุลบัญชีของตนเองจะมาถึงระยะเวลานี้เป็นเวลาสำหรับการเตรียมตัวเพื่อชีวิตใหม่และระยะเวลานี้เองที่เรียกว่าการหลับครั้งที่สองของวิญญาณความหลับเป็นของจำเป็นสำหรับบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นการพักผ่อน และเพิ่มเติมพลังไว้สําหรับการทำงานในวันใหม่ต่อไปในทานองเดียวกันการหลับของวิญญาณก็เป็นการสั่งสมพลังไว้เพื่อชีวิตใหม่ในโลกใหม่นอกจากนั้นในระหว่างนี้ก็เป็นโอกาสที่วิญญาณจะได้รับการดึงดูดจากกระแสพลังที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและก็จะเป็นเหตุให้ได้ไปถือกาเนิดกับบิดามารดาที่มีแรงกรรมเกี่ยวข้องกัน คือมีลักษณะอัธยาศัยใจคอใกล้เคียงกันในบางประการมีหลักความจริงอยู่ว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันและหลักข้อนี้ก็เป็นรากฐานของการจุติของวิญญาณทำให้ไปเกิดในสิ่งแวดล้อมและกับบิดามารดาที่สมควรกับตนเองดังนั้นการที่วิญญาณจะไปเกิดที่ไหน จึงเป็นเรื่องที่สุดละแต่ว่าวิญญาณนั้นจะมีลักษณะของตนเองเป็นอย่างไรเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำบงการของผู้เป็นใหญ่ในที่ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือในโลกมนุษย์ก็ตามทุกอย่างเป็นผลอนุติธรรมของกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตทุกชีวิตเสมอหน้ากันไม่มีการลำเอียงอย่างที่บาลีเรียกว่ามุโคโลกนะ และไม่มีความบวกร่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้เลยไม่ว่าวิญญาณจะเป็นคนที่ตามต้อยเพียงไรก็ตามในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลใดๆเลยเพราะทุกคนเป็นเสมือนลูกอันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันและเป็นเด็กอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแห่งเดียวกันคือโรงเรียนของสภาวะที่เป็นอ น, นันต์คือตราบที่ยังไม่นิพานก็ต้องเกิดตายไม่รู้จบนะครับ ทุกคนกำลังเดินไปตามทางสายเดียวกันไม่ว่าเขาจะรู้ความจริงข้อนี้หรือไม่ก็ตามเพราะว่าการรู้ความจริงหรือไม่ไม่สามารถจะทำให้เขาอยู่นอกหรือว่าเหนือกฎแห่งกรรมได้เลยในบทสุดท้ายข้าพเจ้าจะกล่าวถึงวิญญาณอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปท่านเหล่านั้นได้เข้าถึงสภาวะที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ว่า มีลักษณะเช่นไรแม้วิญญาณประเภทนี้ก็ต้องผ่านการหลับที่เรียกว่าครั้งที่สองนี้เหมือนกันก่อนที่จะเลื่อนชั้นภูมิขึ้นไปในกรณีของท่านเหล่านี้การหลับของท่านเป็นการสลัดทิ้งความปรารถนาที่ทำให้มีการคล้องติดอยู่กับโลกออกไปหมดโดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นผลของประสบการณ์ในโลกทุกๆอย่างก็ถูกสลัดทิ้งไปด้วย ซึ่งถ้าจะมีเหลืออยู่ก็คือความเป็นอิสระเสรีหมดความผูกพันอยู่กับโลกมนุษย์เท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นอันว่าจะไม่ต้องกลับมาเพื่อสวยวกรรมแบบมนุษย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการกลับมาสู่โลกมนุษย์ด้วยเจ็ดจำนวนของท่านเองซึ่งท่านสามารถจะกระทำได้ในเมื่อมีเหตุผลสมควรเช่นอาจจะเป็นเวลาหลังจากนั้นอีกนานมาก ในกรณีเช่นนี้ท่านจะกลับมาเกิดเพื่อเป็นศาสดาของมนุษย์โดยเฉพาะคือไม่ใช่เพื่อสวยกรรมหรือปรับปรุงวิญญาณของตนให้ดีขึ้นเหมือนกับมนุษย์อื่นๆท่านเหล่านี้ย่อมมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นครั้งคราวและเป็นมนุษย์ก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนคุณสมบัติหรือความประณีตของจิตใจนั้นไม่มีอะไรที่มนุษย์จะสามารถเทียบกันได้เลย วิญญาณที่ได้พัฒนาถึงระดับนี้แล้วมีภูมิอยู่อันสูงเกินกว่าโลกมนุษย์และโลกที่ทเกี่ยวกับโลกมนุษย์มากซึ่งก็มีหลายชั้นด้วยกันแม้แต่ชั้นที่ต่ำที่สุดของภูมิในระดับนี้ก็มีระดับสูงกว่าระดับของเรามากจนไม่สามารถกล่าวได้ด้วยคําพูดว่ามีความประณีตและสูงส่งเพียงใดสภาวะเช่นนั้นอยู่เกินความสามารถที่มนุษย์จะเข้าถึงได้ แม้เพียงด้วยความคิดคำหนึ่งหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำสอนในทางพุทธนั้นเทวดาที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั้นคือพระอนาคามีเท่านั้นเป็นสวรรค์ชั้นสุดทาวาดซึ่งข้อความในหนังสือที่กล่าวมานั้นดูจะไม่ใช่ชั้นเดียวกันนะครับ พระเทวดาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาช่วยเหลือชาวโลกมามันเป็นบา ร, รมีหรือเพื่อเป็นศาสดานั้นตามพระไตาปิฎกกล่าวว่าเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นสวรรค์ของพระโพธิสัตว์นะครับจึงต้องย้ําเสมอนะครับว่าเรื่องราวของโลกหลังความตายหลายแห่งนั้นต้องเข้าใจเบื้องต้นไว้ด้วยว่าการใช้ศัพท์การเรียกสภาวะบางสิ่งอาจแตกต่างกับทางพุทธได้มากซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรืออาจเป็นคนละอย่างก็ได้ และความจริงหลายอย่างที่ท่านเล่ามานั้นก็เป็นความจริงในระดับที่ท่านรู้ท่านเห็นในตอนนั้นซึ่งยังมีความจริงอีกมากที่แม้เทวดาก็ยังไม่รู้ตราบใดยังไม่บรรลุธรรมหรือเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกได้เท่าพระพุทธเจ้านะครับแต่แม้ท่านจะรู้เพียงส่วนหนึ่งก็ยังมีประโยชน์กับพวกเราให้ได้ศึกษาและได้เข้าใจกฎแห่งกรรมเบื้องต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มาก จึงต้องขอย้ำไว้เสมอนะครับว่าการศึกษาเรื่องแนวนี้ควรจับหลักสาระสําคัญให้เข้าใจและหากมีโอกาสควรศึกษาทฤษฎีในทางพุทธเพิ่มเติมให้เข้าใจเพื่อเก็บไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งที่ท่านอธิบายมานั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนจะได้ไม่หลงเป็นมิจฉาทิฏฐิไปนะครับสําหรับการศึกษาพระตายปิฎกนั้นเนื้อหาจะเข้มข้นและอาจมากเกินความจําเป็นสําหรับคนทั่วไปแนะนำให้อ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยาย ของสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุทโตซึ่งท่านสรุปเรียบเรียงคำสอนในพระไตรปิฎกแบ่งจัดเป็นหมวดหมู่ให้ศึกษาได้ง่ายและกระชับขึ้นอย่างมากก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ